มือแสงหัวดกปลา มีเล็กน้อยว่าหลัวอันหลื่อันวันฟ้านี่เล็กน้อยนี่จะคอนอ๋อ้๋อเร่มหนังถือเช็คเล่มไม่ก็จำโตพระเจ้าคู่มือคู่มือพุทธมามกะ อาสารักษาใจสอนผุ้ยไนอะไรเด็กหน่อยมาสอนไปปลอบอยู่บนไดก็เจ้าก็มีได้เห็นน้ำมิไดดีใจน้ำเขาเห็นได้เขารักษาได้เขาไปเน้นนัก เขาไปคุ้มอยู่นธรรวัดเ น, น้นหนักภาคให้เขาคุ้มตนเองซ <c oughs> <c oughs> ื่อสัตย์ต่อตนเองถาซื่อสัตย์ต่อตนเองได้แล้วซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นถึงตัวเอาคําของพระพุทธเจ้าความลับไม่มีในโลกจ้ำจุดนี้เขาไปก็พึกได้สบายถึนตัวเห็นว่าเส้นเต่เดินไปเสียก็เจ้า สถานที่บอกไงคนแน่นัดอัดบุมีเสียงวุ่นวายอางนจะเสียงตรวจมลกับเงียบวันห่าววันมิถวัดน้องอีเยียงเริ่มจากงไหนแล้วผูยังเ้าหนกเพราะฉะนั้นหลวงปู่บตาคุว่าเอาพุทโธคุกแก้บวชหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยเพยเป็นหัวหน้าฝักขวานเบาก มาล่องค้อนเเดี๋ยว <c oughs> นี้พาอยู่ผู้แยงเลยคนล้องออกเขาใช้กระโโปกพาหอยื้อๆก็นยังเครียดหาว่าดูถูกไปคนทรมานกิเลกคนหามดเลยพรแม่กุบาอาจากต อ, อนแค่นี้ก็ได้ เดี๋ยวยังมียูกระดกระท o อ่าเตย้ำเรื่อ้เรื่ไยเเพื่อประจัดเห็นเป็นประโยชน์ใช่ใบไม้เห็นเป็นประโยชน์กระสอบไล้หลายกวดใส่กระสอบเป็นตังบ่กปิวพู้นบนศาลไว้ น้ำปามะพร้าวแล้วไปทับให้งานมันตายเิ็นตัวกันปุ๋ยสิ่งตัว ว, วันคนฝึกไปเท่างต่ ก, กองไว้ไงเหมือนบดเต้นไปกวาดออกจากท่างเหตหนังในคำนึงถุงความได้ไกวาดเอาใส่ถุงไว้ก็ได้จะ้ไปกวาดกองไว้ร่มพัดมากตปิ้วใส่อีกสิ่งตัว หนึ่งได้ความเพียรสองได้ความอดทนสามได้สติปัญญา <c oughs> จนมากมักง่ายตัวมือจนว่าเริ่มมัดจิตวัดคอวัดเริ่มไปตั้งแต่ว่เพืงอเจ้าของพระเจ้าประสงค์หลวงปู่สางบุญกุศลให้มมกบินตะบตดยุกไก่เลยได้สบายเยป่ะย งอกจั ง, อ, ง, อ, ง อ, ออกไปเขามานั่นก็ม้าเราไปเป็นจงกรมนังตรรมะที่พระพนาใข้ได้บันพระฮาเลนหาเล่นโลกโลกกิยะเห็นนิบันจากว่าโลกกิยะเอาโลกกิจะจุในหัวใจจงว่าเอาโลกกุตตะเะขามาใส่หัวใจจากว่าโลกกุตตะละถึงได้ทิ้นีจากโลกก็ไปเห็ุไปทําแต่ไปหาเหตดในเนี้ยสะสมกองกิเลส ธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสหรือพุอจักกิเลสเป็นเป็นตังไดายแบบนะพุจักกิเลสพุจักบาปกบุญและวกาว่บบบาบวชมาทำบุญหรือบวชมาทำบาปพุทธพมันของโดนดิอายุเข้าเดียวไปกันเด็เนีย่ยการบันเมืองกุ่นว้กัน <c oughs> ไม่ต้องขากันไม่ต้อเป็นบ้าเป็นหัวเป็น เ ส, สาซื่อมไหมหนังโอยผู้คาก็หาคาเจ้าของก <c oughs> ็คิดจังหดแล้วเพราะขาดหนังขาดตัวเดียวคือทำบุญภาวนาก็ได้ขาดการภาวนาขาดการทำสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญ า, างาโนมทาน ศีลภาวนาเมื่อวานก็เห็น2องสามเท่าหนึง่งพวกมึง น, นั้นไปหาใสาเม็ดไปหาน้ำมาเลี้ยงของบูรของเนาน้อง ก, กอดของบูรของเนาเพราะว่าดีติบ่บัดน้ำสวด่อนันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถันว่าแบบข้าเดียวไปหาแตงโต ตวบวกก้อนตั่ไหนบวกยาสีฟันหรอกั่ไหบวกคำว่าวเต็มไปด้วยของไม่สะอาดที่ไม่อยากสะอาดที่ไม่อยากสะอาดยากมันสะอาดนั่นความเป็นจริงของคนพรเจ้าคำว่าควา่ำไหเป็นควมนั่นมันทีมีสะอาดวันไหนเบิ้งกอไปที่ท้องได้โย่แต่ว่าใจมันเป็นทั้งหลายนั้นคำวัดคำว่าไดเหตดว่ได้ที่ว้าเห็นหนังบท้องในเมื แต่โบยจากกบวาบุญคือจังไหนในพระแต่พิดกท่องก็ได้มัดแต่ถึงทำ้สีทำโต้ทั้ทเอกประโยชน์ก็ไหนกบวาไป ท, <c oughs> ที่สอนพุทธบริษัทออกส น, น, นัดโยบุตรหลานจะทูบจุดเทยียนถวายสังฆท า, านถวายข้าวน้ำโพชนะอาหารตรวจน้ำโยมแค่เราตบุญ แล้ว <c oughs> ก็บอกอยังไงแล้วพระบ่เคยเบิง่งพระบ่เคยเห็นละเอียดเอ๊ะคำของพทธเจ้าพุะวัสยังไงละ่ะทำที่เราจะถาคตใ้ตัตรูยากที่สามัญชนนันเป็นสามัญชนอยู่ติเ่าท่านเป็นพระต้องยกฐานะจิตใจเหนือจากสามัญชนคนธรรมดาตัวโลกวิถูนั่นพระพุทธเจ้าพรลูกเป็นผู้ลูกแก้งโลกเอ๊ โล ก, กวิทูรูกแกงโลกทำให้ใจกงเ้าโลกแกงโลกโลกูกามเป็นจริงของโลกมันบุญไหวจะไปยงให้หนังบันของเบื้องล่มง่ายว่าแพระพุทธเจ้าสอนเป็นนังเข็มว่าได้ข้อนเอาผลเป็นเน่้ว่าจะที่ษามัญชนคนธรรมดาจะดูะได้ดูล่มส่อๆทั้งตั้งตู้ลมลมบื้อลมไปแล้วใจตัวนี่ เป็นบ๊วเบิงเห็นนี้บัดเพิมเป็นยูของใจยูกับพรทันเดชเปิไปเลีนของบูดของเนา่าคือยูดีใส่ดีหามาัดวดมือเท่าคำหามาัดบำรุงเท่ของบูดของเนา่านี่ตัวคือเห็นได้คือแทงได้ดิเพรน้ำไดพู้เจ้านาศินนะท่า ม, มาสอนคน้นสอนคนเป็นจกว่าเจ้าของเป็นคน้นหมัเห็นว่าเป็นคนเหมือนฮ็ดเห็นน้ำผู้เจ้าเป็นทั้ท ง, ทงทั้งสี่เดือนหนึ่งไมสีเทียบบัวไห เบิงสมมือว่ า, วารักษาสมมือด้วยกอาไปจะได้ยัยงทำคนมุงพูชุกที่สุดคือหาที่เกิดรีบเล่นขนวขวยก่อสร้างบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระบาเพ็ญทานศีลภาวนาทองมัดมือเถ้าคํากันว่าเห็ดก็กกกไไคือเก่าพภไงง่ายช่วยหิ้วเข่าสิไหมหิวเข่าหิวเขากินขาามยอม กึนก็เยมีมใจบันกอาหารใจได้แบบจักได้บุญได้บุญบอกไ่ได้บเ ท, ท็เอาเห็นนั้บันทึเย่ยตเคียบเพอาหารใจทั้งๆ ท, ง ท, งที่นั่นลูกกระพริบเข่าร่มบอกเท็จร่ไปแม่ใส่เื้อเย่อใสเออหน้าพระจอจาทหารเท็ดรลำบากลาบนขึ้นอย่างนี้เท็จดีแทะของเลี้ยงของบูรของเนา่าเลี้ยงไว้ประโยชน์อยัง เห็นว่าเห็นคุณงามความดีจงทําดีจงทําดีไปวัดดีไปหาส่งเสริมกิเลสทำดีบะธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสแต่ว่าโมจักกิเลสเด้่วบัดก็จะฆ่าเ่าเป็นก็จะฆ่าเพได้ฆ่าเพราะบาปนี่าาคือพระฆ่ากิเลสเนี่ยอดใจได้เป็นพระหิวไปไหนก็ไม่สันผงมาจมมาดาวากันตะก่อน ข้าวมากคือก่าลเดอันนี้ข้าวยางเอาของมาส่งพระไอ้พระนุ่งแต่พระเสียทุนลงขอวัดไปอะไรคำนึงถึงความได้ไม่ได้คำนึงถึงความเสียนั่นเอาทุนลงขอวเจ้าจะมีบิณบาตเอาแค่นั้นห้ามไม้เอาของมาส่งที่หลังอีกคุณต้วาคุณป้องกัน่ไ้พระบุหหลาปุมเฝ้ยกิเลสหนาปัญญาหยาบนั่นได้คำนึงถึงจุดนี้บ่ เปน็นยังไงพระไปบิตะบาต ท, ทางนอกวดัดก็เพื่อตัดว่าไ้คนของมาโยงวดัดของไหนจะน้ำบอกคนนอกจะน้ำเขานะมาให้นางหลับมหาบุญไหว้ผมมาทำบุญขี่ตั๋วเจ้าของขี่ตั๋วมูกวัดไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญก็ ว, ญว่าดิความเูาพวกของไปหายแยดแยดเนี่ยพระก็ว่าทำบุญทำบาศ ในพระน้ำบากในพระเกิดเจริญเป็นบาปตัวน้ำจาก พ, ออาะพระยื่นเพราะหย่ะงไรพอเห็นน้ำพระพุทธเจ้าเพราะสอนพอคําของพระเจ้ามาสอนพระเจ้าสอนในธรรมบุญในของเบาให้เบิ้ลลมหายใจก็ออกให้มีสมาธิให้มีปัญญามีควบรอบรูปควมรอบรูรบปรในกองสังขารเรียกว่าปัญญากระขาดตัวเดียวเด้๋ยวนี้ ออคิดบางรูปไปวัดสิบวัดบางูว่าได้ดสิม่ยำให้เ็ดบุญอ่ะนี่แต่เอาของมาัถาวัยเอานั่นมัตาวัยเอาดีมาาวัย่หน <c oughs> เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเล่นั่นไปจากพ่กกองกิเล่เลกลเล่นมเอาตัวก็รอยโอ้ยบัดเสียชีวิตแล้วบ่เคยเมื่ปัจจุบนันบัดเสียชีวิตเห็นบ่าบานันเห็นทางไปสวรรค์บ่ พุทธเจาสอนคนาก็สอนคนเป็นสอนคนปัจจุบันให้เห็นปัจจุบันให้เบิงปัจจุบันคึอกินข้าวให้เบิงมือนี่กินมือนีหิวมือนี่กินมือนี่จังิห่ได้หิวบุญกนจามันจหิวหิวอยากมีบุญอยากได้บุญอยากได้บุญอยากทำบุญนะไม่ต่อยากเบิกเอาบุญมันขอไงๆหุ่มไปบุญยุทล้มหายใจก็าออมก็ดังเลยซื้อกบขยเขันดอก นั่นทุกที่สุดคือหาที่เกิดคําของหลวงปู่เฒ่าเพเห็นจุดนี้เพราเขาถึงใจแล้วเพเห็นใจว่าเกิดมาจากพวกทักษะตินเบื้องต่สังขารร่างกายตืเบื้องต่ของบูตรของเน่าแตงต่ของบูดของเน่านิติทองอย่างนั้นผมเห็นเอาความจริงของขุเจ้ามาเต็มไปด้วยของแมตไลรไปทุ่มมือทุ่มมือตัวยังโคงมีกายโยกายของเราเนี่ยแหละ เพิองบนแต่พึ้นเท่าขึ้นมาเื้องตามแต่ไปผมลงไปัสรุปสุดท้ายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆยางนี่แล้วก็คอยไม่ถึงใจมันจะถึงต็มหน้ า, า, าก็้ักฝาป๊าปป๊อปป๊อปมันสานนกแก้วมันก็ท้องได้ก็เกยจำ้ำแล้วจ้ำอีกตัว <c oughs> วันแรกข้าเจ้าวันจะถวายที ก็ว่าเปนหาผู้มาอยู่กานหาทีผู้ยากหรอกอาจารน์เรมันสำคัญผู้สิอยู่นั่นมันหายากคือหาผู้ที่ปฏิบัติตามรักสไปฏิปันโน่จักรไส้ที่ดินเพื่อสร้างวัดบำเพ็ญบุญบั้สร้างวัดทำบุญถึงตร ไว้ว่าสร้างวัดเพื่อที่ขนกระต้มกระหนุ่มไปถวายพระดิผู้จักว่าสร้างวัดทำบุญสร้างวัดพ่อมานั่งดูลมหายใจเขาออกบุญจุกกระล่มนั่นเห็นไ่มขนก็ต้มกนมเดี๋ยวสร้างวัดทำบาปกวาจัมปันดิบาปตัวขนชิ้นขอของไปโดยนิพพันใม่บาปจะต้องมาได้ํา ไม่ไปตักเอากับ่เอาต้องมีฝาบาทไ้วยความถือทาได้กิเลสหุ่จักกิเลสพวนี้หุ่จักว่ากิเลสวันรูปเสียงกินรถลายนั้นขนาดเห็ุใดจึงไม่ได้จเห็นป่อเห็นสวรรค์ในพ้านหรือว่าสวรรค์นผ้านพระจุลนาบาตรว่าได้ไหมป๋อได้ก็ต้องให้ไม่ได้ดิท่านป๋ได้กระชับทางลงเต้ ใส่ในบาทสันปรได้ However, ๋ยวเสียถดองถุดงกวุดพระถูดองเสียกินน้ำปลาเสือตินั่นคือรักษานีทางของปู่เจ้าคนสอนจางไรสงเฮ็ดไรสังสันเฮ็ดไรสังสันเด็๋ยวไรสังสันเด้๋ยมบอเฮ็ดบง่ายด้วหน้องปูแช่ใบเกากระเทีมนใบเกา ค้อมตาอันเก่าเห็นว่าแต่เปินลเิ เ, นน เ, เคยดูดบักภาพเป็นนุวยบอ๊ะน้วมันเปิ้เคยดูดบ่๊ะเดีสังเกตเปิ้ลบอ๊มันก็มีนิบตัดออกเทศจเจจวคือเก่านน่ประตมือกีอขัานเสียดไ ม, ม่ฟ้อมย้อมและยัแงแกงพราขวดน้ำมากหลอดที่ไส ผู so like so ้จักว่าว่าพิษศิลขึ้นอย่างไรบันตั้งตกองน้ำาอกว่าเป็นมักไาเป็นไหนสมมือข้าเว่าวตนนั้นแลงวไปเพึ่งของตนน้ำกอกลำแกะปุขนซ่าขุนอินทนายมันเป็นด้านมาตากแกนย่มปุ๋ยแล้วเรียกบ่งงามการบ่เหตุเขาบร่ได้ตำน้ม่ได้ักเพื่อนขอวัดขอว่าวันศินวันพระผมโยงผมโยง น้ําตายแล้วสิโอ้ยแล้วท่านผมก็พุณเจ้าสอนให้ดูจึงมีชีวิตอยู่ให้ทําจังมีชีวิตอยู่ให้ทําบุญเป็นทานบอกให้ทําบุญเป็นทานคําว่าให้ทำซื่อๆว่าข้อใจเด้เย่ยาเป็นไหนุึมืดก็หยาบยังไหนมื อ, น อ, อเนี่ อ, นอัดหูวท่เรากับเบิ้งเล่นไปหัวไปหลอกไปเว่าวไ ป, ไ ป, ไปคุ้ยไปเป็นบ้าตะวันตายสิ ที่เห็นหนังบป็นการพระบริบสุทธิ์ท่านพระไปด้วยแล้วหรืกว่าการดูแลเจ้ า, าเมติโลกอันนี้นั่งยินดีนั่งกันเกิดดีติหรือว่ามาผลในพานพระพุทธเจ้าไปแล้วติไเป็นของเล็กน้อยเนี่เสียสละเขามาต้องให้สมบูรณแบบที่เขาเสียสละจากโลกกิยะเขามาปฏิบัตโดยเฉพาะนักบวชต้องเน้นนักเอาไว้ปฏิปทาของพระเจ้า เพานักิดมืเกิดอีกทุกข์อีกลำบากอีกขึ้นเก่านะ่ะบาปรอดบ า, าปผ่าพตายขาพราปบาปขาดกิเลสหูจักพหุจักโ ต, ตกิเลสไปสำรวจแต่ละคอแต่ละคอระวังรูปเสียงกลิ่นรสปีออกไปมะ่วงนี้ว่นนีนรถหญิงรถท้ายรถข่าน้าพุชณาอาหารจัจัดวันรถคือ ก, กันนด้ เด็กว่าได้จุดนี้โอ้เดาตั้งนะบุรีสืดมัมกนกาง่ายที่สุดเอาธรรมของพระเจ้ามาเบิ้งไปนั่งพระเจ้าคันวาง่ายกง า, ยางาก่ายสบายหักพระพุทธเจ้าหาหากปีผุนเด้บาดเ จ, จิได้ตาตุรุหรือสัจจะพรตอนนั้นจ้าไปทิ้งสัจจะตั้งไว้รอดในาทางของพระเจ้า อันบนนี้จุดนี้แล้วตันละมันแน่ก็นั่งไปแน่สีค้านกับพ่อเฮ็ดนั่นทีค้านบอกิค่้านถึงเวลาตามกําหนดแจะต้องทําที่ย่าไว้วันใดวันใดเวลาใดก็ขึ้นทาบุญหรือดูสวรรค์วันละหนึ่งนาทีนั่นคนรับคนนัหนึ่งนาทีเพรต้องไปสวดหลายเราขอให้นั่ง หลายไปสวดกับหลงพระพุทธเจ้าสวดมดมือเท่าคำก็คือเก้าอัน่ะเพ็รบดได้ทำบดได้มันเป็นสัญญาสวดไปตามคำของคุณเจ้าคนเขียนได้เขียนได้ทองเราจะได้ก็ได้มืดน่ะแต่ว่าใจมันเพ็รทำได้บ่ปล่อยว่างได้บ่รักโลกสองตัวบกไงถึงเป็นนรกโลกสัตว์โลกคุกเขี้ยวยกับสองตัวสองหมอบวกไง รักมาจากใสความสวยงั้งโลกมาจากใสความลำลุวยนี่เราหมอนั่โลกหมอย่อใจของทุกคนเน็่ยว่าหลงลลปูนจำมนโนล่ามนโนือึใจผูไดน้่นั่งมลเตร า, าตามหาเท้าสีทนใช้ความหมดทนนี่เขาก็ใช้ความหมดทนตัว คือว่ากบจเลรใอมืทนมเพียง่ได้เหตเป็นนิสัยเป็นนิสัยเามอนเป็นสบายไปหมดอันนี้เพื่ได้เจาะเ่ได้อสนบาดเพ่แสบส้นนี้บาเหมือนอฝาบาดมาหมนั่นมันเป็นสองพาดชนะไปเราได้ถึงบอฟิจาน่านี้ไปสงกาโยนโต บินดาป้าตามอาหารบินตะบาะเที่ยวๆกวินๆใส่ภาชนะเดียวหนึ่งวังมีสองนั่นโอ้ยป้าปลาลังดูอันตรายนั่นนี่นั่นแท้เส้นเมื่อขลุกไปกันเมื่องคือเขา ค, นคน้นโผล่กันอยู่ไหมป้าไทยยังเอาหวานไทยหัน่นคางนั่นคางนี้ยังเป็นคางเป็นมองญี่ปุ่นเลย เป็นหัวงีิเหล็หลายย่านกิ่เลดเหมือนอกจากหัวใจว่าได้กำหนดว่าเขี้ยวเขี้ยวเาไปมันกินกับน้ำลายบ่ก็ได้กินแดดอาหารตื่นตื่นทั้งเสียก็ไอปั่ออกมากกับเขี้ยวเขี้ยวเขากืนลงนํากันตัวเขาไปทังท้กงผสมเกษเสวัดจะออกับเท้านั่งจ้วกลงไปขังไว้เอง วิบ <tır master> ัติทำไร่ตทำไรกวทิฐิม่านะกติบาลเล็กน้อยเด็สะสาธเทะน่อยเอาไปบางลอันก็ไปหลยอันก็ไปก็ไปน่ทิฐิเทระเล็กทะหน่อยก็ไปก็สะสมรปล่อยเป็นหนาแงินเอาไปมากกัเป็นโทษหุ่นเจ้าจันเวแล้าผลใน้ามัอยู่น้าบาตรเราฟังวัดกว่าจะไปนะกิตตบาลมันเมยมันละัยังพเจ้าเขาผลมากก็บพวอึ ไปแล้ววะเห็นวะแต่ไปงเมื่อแต่บางหลอกกมหน้ากัเพื่อนมุนนี่ะพระเจ้าพระสง์พรแม่คูบาอาจารย์ถูกปูเห็นจาไปมืองหลอกผมหน้าจะไปเสียเด้อมิจักว่าไปเสียหนึ่งนไปศึกมหัศจมหาไปศึกมัองหนอกผมเป็นหน่อยขอบาทไปเหตุทางไกลเด้อนั่นนั่นก็เสียหนึ่งเด้เสียสองวัด้ิปินธบาท เสียสามพระสันในบาทเจะนนั่งหอยเท่าเข่าโต๊ะสันน่ะเสียาไม่จะแน่วเสียเพื่อนกันว่าไปเสียนั่นไปเสียกันไปได้ก็ไปรักษาคงไว้ทีเน่ยทักเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็้ยทำมากไปได้วันไหนเพื่อนเขา ไ, ไปเอาอาหารด้เขาไปไปตามนาทีด้ขอรับอินทบาทนี่ก้นหนก็ เราบามีคนไหน่ก็เพราะเป็ น, น, นยังใสมันอดตายเราเรื่วยการปฏิบัติธรรมแต่ว่ามีคนไหมอยู่ได้นะ <c oughs> นยังว่างเกียกับพระปบินยุทมือก็ว่ามีเพิ่มขึ้นเยธรรมย่ <c oughs> ยอมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ถกทุกข์ยากหรือว่าบุญนั่น <c oughs> บุญย่อมรักษาผู้ทำบุญ ไม่เหตตกทุกข์ได้ยากถ <c oughs> ้บนรุมพ่กเก่าเห็นอะไรคนจะได้พักได้ผู้ใดถามเราจะไปเมื่อเกิดหลวงพอ่อมีหลวงแรมบอโอ๊ยทำมาตรงแรมมึงไปหาปฏิบททัติธรรมบอทำามาต้องลวงแลมหวงก็ะจะหาเรือองเท็จแก้ห้องไม่ใส่แ อ, อร์บอมัก็จ <c> ะ <oughs> ดวกติดก็เท็จยิ่งไปดื้อให้ ระบบใหม่บอจากสองสันคือวัดนั่นบอกคนเด็ดฟักถยิบใบคือ้อตัดระบบอก อ, อกสิล้งรัวออกให้เป็นสถานที่พักนะเพราะว่ามันอุดอมสมบูรณ์นมาขัวอย่างกิตะกรันรหลักขามล้นยุ่ทัมุเนี่ยก็บมาบ่ายเข่าก็แล้วจนก็ขอเดียวเอีมบุญต่อทุมมวเ น, นี่ยคำน้อยสองน้อย <c oughs> โลภปันใดทจะเห็นห่ังบวชเห็นตามาคนในพาดอยู่น้ำปากน้ำทอ้องตัดออกไป ม, มีคนมันจะขอเหตุลงท่านลงท่านบ่เหตุมาทั้งหันนัง่งเป็นเาแล้วเลยมันจะเริ่มบวดตึงทีง่ที่หนึ่งไม่นาบมีคนถามหาตาลงแล้วเฮ้ งแกเมื่จะเข่าเห็บว่าเห็ดแล้่ได้ไปตรวจหาเราตรงนี้ฮะพูดว่าอา่นี่น้อยงอนเป็นั้งวนแล้วคนเกิดเป็นังบจักมักอาาทยาทำทความสะอาดไปแน่การท่านเพ็ดไอห่องเงี้ยวเงี้ยวมันเไปน พยายามถอดอาไว้เราก็เก็บไว้นันแมะก็เบื้องแต่เก็บเงนของเก่าน้ำเอาต่นนี้ไม่ไหลโอ้ก็ถือใจไปไหนดิลุงปูเป็นพยายามสะสมของเก่าเก็บของเก่าไว้ดังใหเพลตเทปแบบช่องไทยมันจังบหัวกับเบื้องมันทนได้หรอก เห็ดหลังค้าไม่แดด่องไทยมุกกระเบื้องกองยันยันหนามือก็จะเคยเห็ดเตี้ยไปอยู่นี่เป็นเอาตะว้มสบายสันไทยสันไทยทันว่ากองเกาเต็มไปหมดกองเ่างไรกวนว่างมันมีไม่มีอย่างนี้อ๋อมันบงยาบไปเรา่ลงไช่ขอให้มีสะดวกแนวอาบน้าก้อนอาบน้ำเส้นหนังเ้นน <c oughs> แจกให้ได้ดูไฟเห็นไปเห็นหนังไฟวัวเจ้าเป็นวะไรตัดทะลุด้วยการใต่ไฟนั่งสมาธิก็จักเว้นกังเว้นเหตุไม่เห็ดหนังอ่ะทั้งขึ้นกับทั้งสมาธิเป็นตัวศิษย์ถามหาไฟไปหนังมักง่าไปหาไปเล่นนั่นเล่นนี้เอาไปมากกับต้มน้ําห้อนกินจุหัน <c oughs> นี่กระตัดออกพวกขาดดิ่งข้านั่นข่านี่โย่ไฟไม่เห็นนั่นเน็ตนี่จริ นี่ก็ว่าจาเป็นน้ำเติมด้วยกันเสียดีที่ถุอก่อไปหาตักนักศึกษาตังนี้งามดีหาดไฟหามันก็แล้วเช่นเคยของน้าไผ่ลงฝักของน้ําบ้าก็แล้วรักษาเอาตัวมักสะอาดมักสบกับวกไทยแล้วก็ไม่ต้องล้างเพราะมีคนล้างให้จ้างคนล้างให้จะเรื่องไปแต่เรื่องกล้วยสะดวกของโลกนี่ ความทางของพระพุทธเจ้าของพระแม่คุบบาทันหามนาม้ำเพือเกลิ่นเป็นอย่างไรอินทบาทสังกออร่อยพระเขาในวัดแล้วก็เปิดประตูนยมมาเข้าวัดพ่อมาทําบุญมาหาตา บ, บุนไหวจัดเจ้ า, จา น, นั้นเนี่ยพระไปติดรูปติดเสียงบางแห้งว่าแต่งพอจะเริ่มวัดลงมาสร้างลงทานสร้างลงทานทห า, าเรเดี๋ไร่สร้างลงขั้วสร้างลงขัวห่วย โบวิบานถึงก็ไปสั ide, produce produce produce ่งลุงกวนําวัดน้ำว่าโบคือเ่ามันต้อวบาได้ทุกเมือไปให้เดยวนี้ผมแถนี่ต้องไปให้เดนลุกูก็ไปพระเจ้าหรอกแขงแร้งแข่งแร้งเลยขนาดให้คนแงแร้งหมดทั้งหมดจะนตัวก๋าเป็ตัวเกาเลยงไปขอสมุยวัดมันกับน้ำบาขึ้นพระพุเจ็าอังสีกับมิจฉิติวัตรน ก็แสดงก้มดีใจค้มเหลื่อมใสอยู่ก็มีวัดยังไก็เจ้าเนาเหตัดก้มสะดวกสบายคุนสังเกตกาที่ได้ไกกวัดไปพากึ้นสัมมุยมีกุญแจยุพยั่งทำก้มสะอาดไว้แน่นแล้วนีเตียงไม่ยังเยอะเลยพุตติทางพูนนี่ก็พูดไม่ขาวไม่ยังวม่เบิ้องอยกันแล้วตง วันที่หนึ่งไม่น่าชาวทั้งได้กำลัาพระออกตนน่าโน้มปฏิบัติธรรมเิ่นมาหลายมาัวฝึกทั้งผู้เกา่าฝึกทั้งผู้ใหม่ไปน้ำเด้ดผู้เก่าเกิดเหลืงไปหลายแด้วย <c oughs> นี้ไปไกลตะได้นีนีพวกไก่ตะ น, น, น้ า, ห, น า, ห, น า, ห, นาหลวงปู่ขาขาหลวงปู่สีมบวง่วัดหลวงปูส่สีประเทศทททพิจารณ์กระเทียมกระเดังไง ก็มามมกฝึกฝนรบผลมฝึกฝนรล้มไปนั่งนี่ก็เป็นห่วงเด็กน้อยอยู่นี่จานคอยแต่ยู้ให้สำ น, นสอนเขาคิดขอเปลี่ยนแต่เป็นเน้นหนักตั้งแต่คันถอกกับพิธีกรรมแนวนั้นนนีนน่มาจากแนวทางเราไม่เน้นหนักภาคปฏิบัติเมีสมาธิมีปัญญาแต่มีชุดนี้แล้วก็มีสมาธิมีปัญญาควบประกอบในกองสังขารเรียกว่าปัญญานั่น มันขาดจุดนี้แหละมั่มีปัญญาเ ง, ง, งเงาเต้าตูตนไปต่างต่าเห็นว่าต้องคลอกงกันกับเปาว่าควั่มปอมรรมีศีลถ้ำอันมีศีลมีถ้ำพุทธิสิบประการกองกันกับสงสารเขาผู้เสือกเสือกเพราะป่มมีปัญญาเขาตัวยังเสียเนี่ยการมีปัญญาบพราะเสียคนง่ายๆดิเขาค้าของโบราณอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจนใจตัวนั่นได้ไดจะได้เงินบะ นี่งั้นไหลาไปไหนเอามาถึงไงเบี้เยเรี่ยงได้หลปุ่นเขามาถือตัวไปผ้าเขาไปถอนอมมดวันนี้จะไปถามหามีใจก็ไม่ซื้อซ้ำน้ำฟองน้ำรองกันน้ำหากันไปอาศัยต่วงจอดจิตปิดตัวส ม, มือน <c oughs> แล้วกว็าขาดนี่นะขาดการพระวนาอย่างเดียวพระเจึงจังเสียไปทู่สุ่มหามทงถูกหลอกพระเจ้าประสงกับหลอกองมเก่ง ก็ไม่ยังกับสวยตังไกละพาน